ธรรมบทแปลเรื่องที่85เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระภาคที่4เรื่องที่หของวัคที่8สหัสวักวรนน า, นาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารพรามณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามาเซมาเซเป็นต้น ได้ยินว่าพระเถระไปสู่สำนักของพ ร, ราหมณ์นั้นแล้วถามว่าพราหมณ์ท่านทํากุศลอะไรอะไรบ้างหรือหนอแลพราหมณ์ทำขครับพระเถระทํากุศลอะไรพราหมณ์ผมให้ทานด้วยบริจาคทรัพย์พันหนึ่งทุกๆเดือนพระเถระให้แก่ใครพราหมณ์ให้แก่พวกนิกรนครับ เถระปรารถนาอะไรพรามพรหมโลกขอรับพระเถระก้อนี้เป็นทางแห่งพรหมโลกหรือพรามอย่างนั้นขอรับพระเถระใครกล่าวอย่างนี้พรามบวกอาจารย์ของผมกล่าวขอรับพระเถระกล่าวว่าท่านไม่รู้ทางแห่งพรหมโลกทีเดียว แม้ผู้อภิชาญของท่านก็ไม่รู้พระศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นทรงรู้มาเถิดพรามฉันจะทูลอารัธนาให้พระองค์ตรัสบอกทางแห่งพรหมโลกแก่ท่านดังนี้แล้วพาพรามนั้นนาไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นว่าพรามผู้นี้กล่าวอย่างนี้พระเจ้าค่าแล้วกราบทูลว่าดีแล้วหนอ ขอพระองค์ตรัสบอกทางแห่งพระมโลกแก่พรามนั้นพระศาสดาตรัสถามว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือพรามเมื่อพรามนั้นถูนว่าอย่างนั้นพระโคโดมผูเจริญนจึงตรัสว่าพรามการแลดูสาวกของเราด้วยจิตอันเลื่อมใสเพียงครู่เดียวหรือการถวายอาหารวัตถุเพียงพิษาทปีเดียว มีผลมากแม้กว่าทานที่ท่านเมื่อให้อย่างนั้นให้แล้วตั้งหนึ่งร้อยปีเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่ามาเซมาเซสหัสเซนะโยยัเจธสตังสมังเอกันจะพาวิตตานังมุหุตะมะปิปูเชเยซาเยวะปูเจนาเซโย ยันเจวัสสะตังหูตันติผู้ใดพึงบูชาด้วยซรัพันหนึ่งทุกๆเดือนสิ้น1นึงร้อยปีส่วนการบูชานั้นนั่นแลของผู้ที่พึงบูชาท่านผู้มีตนอบรมแล้วคนเดียวแม้ครู่หนึ่งประเสริฐกว่าการบูชาของผู้นั้นการบูชาสิ้น1น0้ปีจะประเสริฐอะไรเล่าแกอัด บรรดาบทเหล่านั้นบทว่า ส, หสะหาเซนะความว่าด้วยการบริจาคทรัพย์พันหนึ่งบาทพระกาถาว่าโยยัเยทะสตังสมังความว่าผู้ใดเมื่อบริจาคทรัพพันหนึ่งทุกๆเดือนเพื่อให้ทานแก่โลกิยามหาชนสิ้นหนึ่งรปีบาทพระคาถาว่าเอกันจ่าพาวิตตานังความว่า ส่วนผู้ใดพึงบูชาท่านผู้มีตนบ่มแล้วด้วยอำนาจแห่งคุณผู้เดียวโดยที่สุดเบื้องต่ำเป็นพระโสดาบันโดยที่สุดเบื้องสูงเป็นพระกีนาศพผู้มาถึงแทบประตูเรือนด้วยอำนาจถวายภิกษาทัพีหนึ่งด้วยอำนาจถวายอาหารพ่อยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือด้วยเพียงถวายผ้าเนหยาบบูชาของ ผู้นั้ น, นั่นแลพระเสดิฐคือลำเลิได้แก่สูงสุดกว่าความบูชาอันบุคคลนอกนี้บูชาแล้วสิ้น1 0ึงร้อยปีในเวลาจบเทศนาพรามนั้นบรรลุโสดาปฏิผลแล้วชนแม้เหล่าอื่นเป็นหันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพรามผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระจบ